สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้ผมจะขอพี่น้องที่จะกลับมาดูในบทที่16ของพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์ครับพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบ ท, ที่สิบหกข้อสามจนถึงข้อ33อาหับโอรสของอามารีทรงทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อน อาหับไม่เพียงเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะทำบาปต่างๆตามเยโรโบอัมบุตรเดบัดแต่พระองค์ยังอภิเศกกับเยเซเบเลทิดาของกษัตริย์เอธบาอันแห่งไซดอนและทรงเริ่มโปรนิบัตและน้ำสการพระบาอันอาหับทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระบาอันในวิหารของพระบาอันที่ทรงสร้างขึ้นในสมาเรียนอกจากนี้อาหับยังทรงสร้าง เสาเจ้าแม่อเชราและยอวยุพระพิโลธของพระยาเวพระเช้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่ากษัตริย์อิสราเอลองค์ก่อนๆทุกองค์พี่น้องครับเรื่องของกษัตริย์อาหับนั้นได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์นะครับบทที่16ถึงบทที่22และยังพบในพระธรรมสองพงศ์สวัดานบทที่18ดถึง22ด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ภายใต้ หัวเรื่องชีวิตของอาหับนั้นทำให้ผมอยากจะได้มีโอกาสแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตของอาหับซึ่งจะเป็นบทเรียนชีวิตของพวกเราทั้งหลายอาหับนั้นเพิ่มพีกล่าวจนถึงหนึ่งพงกษัตรบที่16นี้นะครับว่าท่านหรือพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของอิสราเอลและก็พระองค์แต่งงานกับเยเซเบลซึ่งเป็นหญิงต่างชาติ และปล่อยให้พระนางส่งเสริมการกราบไหว้พระบาอันไม่เพียงแต่เท่านั้นเขายังขุนเครื่องที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินผืนหนึ่งได้ทําให้เยเซเบลนั้นสั่งฆ่านาโบดนาโบดนั้นเป็นชายเจ้าของที่ดินผืนนั้นถูกฆ่าครับนาโบดตายในที่สุดกษัตริย์อาหับนั้นเป็นคนที่ชินกับการทําตามใจของตัวเองและขุนเครืองเมื่อไม่ได้อย่างใจ พี่น้องครับเราเห็นว่าในปอดศาสตร์อิสราเอลนั้นไม่ว่ากษัต ร, ริย์อิสราเอลหรือกษัต ร, ริย์ยูดาทางใต้นะครับจะดีหรือชั่วพวกเขานั้นต่างมีผู้เผยรเพระชนะที่พระเจ้าทรงส่งมาแนะนําไม่เพียงแต่แนะนําครับผู้เผยพรชนะก็ยังพูดความจรงิงบางครั้งก็ต่อว่าแต่ว่าผู้เผยพระชนะนั้นต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขาและช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้ายกตัวอย่างครับ ผู้เผยพรชนะที่ทํางานกับกษัตริย์อิสราเอลที่เห็นได้ชัดและเป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือนาธานนาธานนั้นเป็นผู้เผยพรชนะของพระเจ้าพระเจ้าส่งมาให้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ครับเพื่อนที่ที่สัตย์ของใครของกษัตริย์ดาวิดครับนาธานนั้นเป็นผู้ที่เตือนกษัตริย์ดาวิดให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับใจเสียใหม่กษัตริย์อาหับนั้น ก็อาจจะครับต้องใช้คําว่าอาจจะได้เอลียามาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เหมือนกันแต่ขณะที่ดาวิดฟังนาธันและพร้อมที่จะกลับใจจากความบาปของพระองค์เองแต่กษัตริย์อาหับนั้นกลับเห็นเอลียาเป็นศัตรูอาหับกลับเห็นเอลียาเป็นศัตรูทําไมหรือครับเพราะว่าเอลียานั้นมักจะนําข่าวไม่ดีหรือข่าวร้ายมาให้อาหับเสมอและหับก็ไม่ยอมรับว่าอาณาจักรนั้นกําลังจะพินาศ การที่อาณาจักรพิานาธนั้นไม่ใช่เพราะการเผยเพระชนะของเอลียาครับแต่เพราะว่าตัวเขาเองนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกล่าววายลูกเคารพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออาหับแทนที่จะขอบคุณเอลียาอาหับกับโทษเอลียาที่เผยพระเระจนะ้เกี่ยวกับการพิพากษาแบบตรงไปตรงมาแทนที่จะยอมรับคําแนะนําของเอลียาอาหับโทษเอลียาครับ แทนที่จะยอมรับคําแนะนําของอริยาและหันจากทางชั่วของตัวเองพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าบทเรียนของกษัตริย์อาหับที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์นั้นเราเห็นว่าอาหับนั้นติดกับกับดักทางเลือกของตัวเองติดกับดักเรียกว่าการทําตามใจของตัวเองและไม่เต็มพระทยัยไม่เต็มใจที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องครับในฐานะกษัตริย์ในฐานะผู้นํา อาหับนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าและเอลียาผู้เผยพระยะของพระเจ้าแต่อาหับนั้นไม่ยินยอมครับอาหับแต่งงานกับหญิงชั่วร้ายเยเซเบลซึ่งนำเขาไปสู่การกราบไหว้ลูกข้ารพบแบบถาวรอาหับนั้นเป็นเหมือนเด็กที่ฮึดฮัดฮึดหัดอยู่หลายวันเมื่อไม่ได้อย่างใจเขาทำตามคำแนะนำของมเหสีที่ชั่วร้ายเขาฟังเฉพาะ สิ่งที่อยากจะฟังฟังเฉพาะผู้เผยพระชนะที่บอกแต่ข่าวดีครับผู้เผยพระชนะที่พูดดีพูดในสิ่งที่อยากฟังและห้อมล้อมตัวเองด้วยคนที่ตามใจเขาเอาใจเขาแต่คำแนะนำที่ดีคาแนะนาที่ตรงคำแนะนำที่ทำให้ประชากรจะต้องกลับใจใหม่มาหาพระเจ้านั้นเขาไม่รับครับ คำแนะนําที่ดีเขาไม่รับแต่เขารับเฉพาะคนที่ห้อมล้อมเอออเออวยให้กับตัวเองอาหามนั้นเลือกทําตามที่คนรอบข้างเห็นดีเห็นงามด้วยและการทําเช่นนี้ครับนําเขาไปสู่ความตายพี่น้องครับคําแนะนําที่ดีหรือไม่ดีนั้นวัดไม่ได้ ด้วยจํานวนคนที่ยอมรับหรือต่อต้านแต่คาแนะนำที่ดีสำหรับคนของพระเจ้านั้นเขาจะรู้และพร้อมที่จะเชื่อฟังและเขาจะเกรงกลัวพี่นะครับในชีวิตของเรานั้นมีคำแนะนำเยอะแยะจากคนของพระเจ้าการที่เรามีคนสนับสนุนให้เราทำอะไรก็ได้ตามใจตามต้องการ อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องดีในตอนแรกถามว่าทำไมครับเพราะทุกคนนั้นก็อยากจะให้คนเอาใจแต่ในทางกลับกันครับเราไม่ค่อยอยากจะฟังคำแนะนำที่ขัดกับความต้องการของเราขัดกับความพึงพอใจของเราต่การตัดสินใจที่จะฟังหรือไม่ฟังนั้นต้องมีพื้นฐานอยู่บนความจริงของคำแนะนำและคำแนะนำนั้นมีคุณภาพ เป็นคำแนะนำที่มาจากพระเจ้าจริงๆหรือไม่ไม่ใช่เพราะคำแนะนำนั้นนสนใจหรือเพราะเพื่อนๆหรือคนส่วนใหญ่เห็นด้วยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวอันตรายมากครับพระเจ้าทรงสนับสนุนให้เราขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดที่ปรึกษามหาสัจันคือองค์พระเยซูคริสต์แต่เราจะต้องตรวจสอบคาแนะนาของเรา โดยพระวจนะของพระเจ้าและเราจะให้คำแนะนำใดก็แล้วแต่กับใครก็แล้วแต่ต้องมั่นใจว่านั่นมาจากพระเจ้าจริงๆพระเจ้ายังแนะนำให้เราขอคำปรึกษาที่ชานฉลาดกับผู้รับใช้ของพระองค์คำแนะนำที่สอดคล้องกับหลักการในพระวจนะของพระเจ้านั้นเชื่อถือได้เราต้องแยกคำแนะนำออกจากความต้องการของเราเอง ออกจากความเห็นส่วนใหญ่และออกจากสิ่งที่ดูดีที่สุดตามมุมมองอันจำกัดของเราแล้วเปรียบเทียบคำแนะนานั้นกับพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ทรงนำเราให้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ควรเหมือนอาหับครับแต่ควรที่จะไว้วางใจที่ปรึกษาที่ดี ไว้วางใจคําปรึกษาที่ดีคําแนะนําที่ดีและกล้ายืนหยัดต่อต้านคนที่ชักจูงให้เราทําผิดนั่นคือบทเรียนของกษัตริย์อาบในช้าวนันนี้พี่น้องครับบทเรียนหลายๆบทเรียนจากชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวมันจะส่งผลมากต่อชีวิตของเราเราเห็นว่าอาบนั้นก็เลือกคู่ครองผิดครับก็ส่งผลมากต่อชีวิต ทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและก็นําตัวเองลงไปสู่กับดักแห่งความชั่วร้ายและทําให้ตัวเองนั้นติดกับดักทางเลือกของตัวเองน่าเสียดายครับที่คนที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงตั้งกษัตริย์อิสราเอลแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แม้ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดี พระเจ้าก็ให้โอกาสเขาที่จะกลับใจใหม่ทุกวันนี้ครับครสะจักรของพระเจ้าและสถาบันองค์กรต่างๆที่เป็นคริสเตียนทั้งหลายเรามีผู้นําที่ดีและผู้นําที่ดีนั้นสมควรที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่เราควรจะมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับและที่ปรึกษาที่ดีนั้นจะขัดเกลาชีวิตของประชากรของพระเจ้า จะนมนำประชากรของพระเจ้าไปในทางที่ถูกต้องตามน้ำมัธยัยของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะยืนหยัดมั่นคงในทุกๆระดับของความเป็นผู้นำของพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน